สิกขาบทที่6ถามทรงบัญญัตทุกกฎแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟื้อนั่งโครงกายในละแวกบ้านตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุจับพักขีนั่งโครงกายในละแวกบ้า น, าคค น, า ใ, น, านในสิกขาบทที่6นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตไม่ใช่เกิดทางวาจา